พอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอโอกาสครูบาอาจารย์เพื่อสาธมิกแม่ชีขอเจริญพรแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านก็ก็ตื่นเต้นก็ก็จะมาเล่าประสบการณ์ ในการรู้จักวัดป่าสุขโตแล้วก็เพราะเหตุใดถึงอาตมาหรือผมอได้มาบวชที่วัดป่าสุขโตครับสมัยอาอตมาหรือผมเป็นเด็กๆอาอตมาหรือผมก็ชอบเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นี้เป็นระบบแห่งเหตุผล แล้วก็ยมพ่อยมแม่ก็พาไปวัดไปทำบุญตักบาตรก็พระกะเทศเรื่องกรรมไ อ, อตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าเออกรรมมันคืออะไรเราเข้าใจว่าเออเอานรกสวรรค์มาขู่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนีกัอาตมารหรือผมก็ เป็นคนแบบลักษณะแบบชอบเหตุชอบผลเป็นคนลักษณะแบบเชื่อมั่นในเหตุผลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปไปเลยทีนี้ไอเราเหตุผลเนี่ยมันก็คือความคิดของเราเอา่า อาตมากา็ไปทำงานใช้ชีวิตมีครอบครัวก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในเหตุผลของตัวเองครับก็ทำให้ไม่รู้ความเป็นจริงของอสรรพสิ่งทุกอย่างเราก็จะไปคิดว่าสิ่งที่เราคิดด้วยเหตุและผลนะั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ทีนี้พอเด็กๆ เ, เนี่ยอาอตมาหรือผมเนี่ยก็มีความคิดอยู่ลึกๆว่าเอ๊ะทำไมคนเราเราเกิดมาแล้วต้องตื่นในเช้าไปเรียนโตขึ้นทำงานทำงานเสร็จก็ต้องอมีครอบครัวมีครอบครัว ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเสร็จก็รอ ก, ก็ใช้ชีวิตแล้วก็รอวันตายเอ๊ะทำไมทไมคนเรามันจะต้องมีอยู่แค่นี้มันไม่มีระบบอะไรบางอย่างที่มันคอบคุมชีวิตของเราอยู่มันก็มีพื้นฐานมาจากความคิดระบบเหตุผลของเรานั่นเองเออ ผมก็อาอตมารหรือผมก็ดูหนังเรื่อง Prometheus the m e t i c the m a t i c นี่ดูดูตอนแรกก็ดูเอามันครับหลบกระสุนเพียวฟ้าวแต่ก็ดูไปดูมาก็เออทำไมมันมีโลกโลกหนึ่งนะที่ลด้คิดให้ชีวิตคนเนี่ยมันเป็นไปตามนั้น โอมิติยุทเหมือนกันโอมิติยุทนี่ก็จะมีคนที่มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดแตกต่างตามหาสิ่งที่สร้างเรามาโดยที่ว่าบ า, บางคนก็จะไปขอว่าเอา๊ะทำไมต้องสร้างมาให้เราเกิดแก่เจ็บตายจะไปขอพรหรือขออะไรให้ไม่ตายอะไรประมาณนี้มันสิ่งก็อยากรู้ว่าเออ ทำไมต้องสร้างความดีความชั่วอะไรขึ้นมาผมก็ก็เริ่มพอใช้ชีวิตไปมันก็เริ่มมีความคิดแสวงหาอะไรบางอย่างก็เริ่มมาศึกษาพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมกรรมกรรมในที่นี้ สมัยก่อนนี้อาตมาหรือผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องยกเมฆขึ้นมา <Yeah. S 1> แต่ระบบกรรมที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ลองเอามาประพฤติปฏิบัตินี่มันไม่ใช่มันเป็นระบบเหตุและระบบผมระบบของผลจริงๆ <c oughs> ก็ไปโดนใจคำคำหนึ่งคื อ, อ, อหนทางหรือ ว, วิธีทางแห่งการสิ้นไปของระบบกรรมนี้ก็คืออัดถังคิกรมกรมะมิโรทคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงการสิ้นกรรมตอนแรกเราฟังโอ้มีด้วยเหรอหนทางนี้อะไรอย่างเงี้ย ทีนี้โอ้เราโอ้อธังคิกรรมักแปดทางนี่เราเห็นว่าโอ้มันมั น, ม, นมันมีตั้งแดข้อเราก็ยังอเอ๊ะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้ก็มีครูบาอาจารย์บอกว่าโอ้หนทางแดข้อนี้มันย่อดได้เหลือสามนะก็คือศีลสมาธิปัญญา โอ้ชักลุนน้อยลงมาแล้วเอ้มันก็มีหนทางและไอสีสมาธิปัญญานี่มันก็ย่นย่อมาเหลือสมถะและวิปัสนาสมถะวิปัสนาก็ผมก็ไปฝึกอยู่มั่งนะครับก็รู้สึกว่ามั น, มนได้ได้ความนิ่งได้ความสงบได้ความเย็นได้ความ ความสุขจากตรงนั้นพอสมควรแต่ก็กลับมาทำการทำงานก็โดนแรงกระทบในเรื่องการเรื่องงานเรื่องครอบครัวก็รู้สึกว่ามันเอาไม่อยู่มันเอาไม่อยู่มันเอาไม่ทันเหตุการณ์อะไรเงี้ยชัยชัตรงนั้นไม่ทันเหตุการณ์ก็ ก็เข้าไปฟังเทศครูบาอาจารย์ก็เจอเทศของหลวงว่าเขียนแล้วพระอาจารย์ไปสารท่านก็บอกว่าโอ้การที่มีศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามีมรคมีองค์8นี้ก็คือตัวสติก็คือเป็นตัวเดียวกันตัวสตินี้ก็คือศีลและสมาธิปัญญาสติอ่าระ ล, ลึกรู้สัมปชัญญะก็คือรู้ ตัวทั่วพร้อมอะไรล <c oughs> ักษณะนี้ก็โอ้โดนใจว่ามันก็ไม่ยากนะก็ไม่ยากนะก็เปลี่ยนหลงเป็นรู้คนเรามีอยู่สองอย่างก็คือหลงกับรู้ทุกขณะจิตของเราก็ก็เดินทางมาปฏิบัติที่นี่ก่อนก่อนที่จะบวช เดินทางมาปฏิบัติก็ตอนแรกก็เดินจงกรมก่อนเดินจงกรมเดินจงกรมเดินเยอะอะครับช่วงแรกเดินจนสามทุ่มก็รู้สึกว่าโอ้โหคว า, ามคิดคว า, ามคิดอะไรมันผุ ด, ผ, ดผุดเหมือนดอกเห็ดนะครับพุ่งซ่านมากครับแล้วก็เออแล้วก็ก็พยายามอดทน มีวิยะทำไปเรื่อยๆก็เลยเข้าใจว่าโอ้ยไอ้ไอกรรมเนี่ยไอ้การกระทําของเราเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนจริงสิ่งที่ตั้งแต่เด็กไปจนเรามีชีวิตถึงบัดเนี้ยมันก็โผล่ผุดขึ้นมาบางสิ่งที่เราไม่ได้ใส่ใจหรือว่าเราลืมไปแล้วเนี่ยมันก็โผล่ผุดขึ้นมา เราเาเราก็เคยเชื่อมั่นมีความศรัทธาว่าโ อ, โอ้ระบบกรรมนี่มันมีแน่นอนจริงๆไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรก็พร้อมผุดขึ้นมาก็ฟังเทศหลวงพ่ออมเขียนหลวงพระอาจารย์ไวศาลแล้วก็บวชได้มา3าวันเนี่ยก็พระอาจารยว์วัฒนชัยก็ ก็ก็ไปบอกกรรมาฐานที่กุติตอนนั้นก็มีพระอยู่สีรูปตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมพยายามปฏิบัติเนี่ยให้มันไม่ฟุ้งซ่านให้จิตมันเบาโล่งโปรง่งสบายไปอะไรเงี้ยอืมมันก็เป็นแค่บางวันบางวันก็คันเนื้อคันตัวเหนื่อยหนัก ไม่อยากจะทํในอย่างี้ก็รู้สึกว่ามันติดติดอยู่ตรงนั้นนะก็คือเราอยากนั่นเองก็พระอาจารย์วัดก็บอกว่าเออเราก็ต้องรู้เป็นรู้เป็นจังหวะจังหวะอยู่เป็นขณะขณะไปอะไรองี้ให้มันต่อเนื่องอ่ารู้เป็นจังหวะจังหะเป็นลูกเป็นลูกเป็น เป็นจังหวะไปเนี่ยเราก็กลับมาทำเราก็มีเจตนารู้รู้รู้อยู่ในอนิยบทที่ที่ผมเดินอยู่ทีนี้ พยายามพยายามรู้เท่าไหร่มันก็มันก็เว็บอยู่ดีครับมันก็ไปคิดก็ไปคิดอยู่ดีเราก็เออกลับมารู้อีกรู้อยู่นั่นแหละรู้ไปรู้มาสู้กันไปสู้กันมาครับยื้อกันไปเรื่อยๆจนมันเข้าใจว่าความคิดหรือสิ่งที่เรา เจตนาที่จะรู้เนี่ยมันไม่คงทนนะมันเหมือนเป็นแค่มายาก็คือสิ่งที่เราเจตนาที่รู้เนี่ยเราเจตนาเท่าไรเท่าไรเท่าไรมันก็จะแวบอยู่ดีก็คือมันมีการไม่แน่ไม่นอนคือมันแปรเปลี่ยนแล้วสิ่งที่ความคิดที่มันแวบแ ว, บ, แ ว, บ, แวบเข้ามาเนี่ยมันก็คิดพอเรา เห็นมันอะไรเงี้ยมันก็จะดับไปหายไปก็ก็รู้สึกว่าเบาเนื้อเบาตัวขึ้นโปร่งโลงสบายขึ้นสถนี้ก็ได้มาฟังเทศหลวงพ่อคำเขียนพระอาจารย์เวสารก็บอกว่าเออเราไม่ต้องไปอยากไปอะไรก็คือ เพียงแค่รู้เท่าเนี้ยก็คือพอแล้วคือเราสร้างเหตุสร้างเหตุมันต้องเกิดผลแต่เราสร้างแค่เหตุเพียงแค่รู้อย่าไปอยากผลครับก็ทีนี้ ก็รู้สึกว่ า, าปฏิบัติแบบ เ, เจริญสติเนี่ยมันก็ เ, เห็นเห็นเห็นเห็นผลนะเห็นสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเห็นเห็นเห็ น, หนไปครับ แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติไปครับไม่ได้ว่าไปไปจ้องไปเข่งไปอะไระครือที่เราเรียกว่าตามสมมุตินะไปตามนั้นก็ ก่อนที่กระผมจะมาบวชผมหรืออาตมาจะมาบวชนี่ก็ก็รู้สึกว่ามีความทุกข์บางทีก็ยึดมั่นถือมั่นครับในสิ่งที่ตัวเองคิดแม้กระทั่งครอบครัวแม้กระทั่งสิกาหรือว่าแม้กระทั่งญาติพี่น้อง ก, ก็เราก็จะอยากให้เป็นตามใจเราครับพอไม่เป็นแล้วก็รู้สึกแบบเอ๊ะไม่ดีอะไรเงี้ยสึกแบบขัดเคืองเราไม่รู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรามีชีวิตเนี่ยบางทีเราเพียงแค่รู้เท่านั้น ใช่ความรู้สึกรู้เท่านั้นแต่ว่าทีนี้าที่เราไปเอาเหตุผลเนี่ยมาใช้เนี่ยมันไม่เข้าสถานการณ์ แล้วมันก็จะทำให้ความมีเขาเรียกว่ามีมานะทิฐิเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาตอนที่ดูเป็นดูดูคือดูเห็นอตอนนั่งก็คือเห็นการโปรดมันเกิดความง่วงมันเกิด ความคิดจอนไปจอนมาความคิดแล้วก็ดูไปเออมันก็เกิดมาแล้วมันก็ดับเกิดเกิดเกิดดับดับดับดับเกิดเกิดก็พอเห็นมันก็ดับเกิดเกิดแต่ว่าเมื่อไรที่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ในความคิดเนี่ย มันเหมือนไม่ดับทักงที่ไอความคิดเนี่ยมันจอนมาอยู่นั่นนะครับจอนมาเรื่อยๆเรื่อ ย, อยอแต่จริงๆแล้วมันก็มันก็มันก็หายไปนะแต่ว่าเราคิดขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เราคิดเรื่องเดิมขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยอพอเราไม่คิดเราเห็นมันปุ๊บไอ เราก็ไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรมันมากก็ผ่านๆไปเราก็อารมณ์เราก็ดีเรากำลังเดินอยู่เราก็รู้อะไรเงี้ยรู้รู้ ร, รู้รู้เฉพาะหน้าไปเรื่อ ย, <ๆ>ออยก็รู้สึกดีไปมันเรื่อยเงี้ยครับ ทีนี้อาอตมาหรือผมเนี่ยก็ตอนแรกว่าก็เออจะ ต, ตั้งใจบวชสักสักพรรษาหนึ่งไรเงี้ยก็ไปสอแสวงหาที่มาคือเคยไปเดินในหกจังหวะยุบหน่อกองหนอครับก็รู้สึก อืมันก็สุขสงบดีครับตอนแรกก็จะเปิดปวดเมื่อยหน่อยก็ทนทนเดินไปเรื่อยๆก็สุขสงบดีก็ออกไปทำงานออกไปทำงานก็มันก็ยังโกรธอยู่เหมือนเดิมก็รู้สึกว่ายังโกรธอยู่ทียังปีติอยู่ก็มีอืมอยากได้น่นได้นี่อยู่เหมือนเดิมยังโลภยังอยู่ในความคิด คิดทั้งหลายที่นอนอยู่ก็ยังคิดเหมือนเราไปเป็นธาตุของมันอะธาตุความคิดนะครับธาตุความโกรธธาตุอะไรเงี้ยมันก็จงจมูกเราไปอยู่เรื่อยครับจงไปจงไปสมหวังแล้วก็สุขสุกๆๆขไปอสกมันหมดอ้าวเสียดายละ ไม่สมหวังก็ทุกข์อะไรเงี้ยเอออยากจะไฝ่ฟ้าบางทีทำอะไรแบบตั้งอกตั้งใจมากเกินอะไรเงี้ยพอไม่ไม่สำเร็จถ้าไม่สมหวังก็รู้สึกว่าโอ้โหเส็งมากเจ็บมากอะไรลักษณะเนี้ยก็ อันนั้นก็เลยเข้าใจว่าเออมันคงเคยเป็นสภาวะหลงของเราแหละก็เลยเป็นอย่างนั้นก็เลยมันก็นำมาซึ่งความไม่สบายกายไม่สบายใจ แต่เมื่อปฏิบัติิิบัตไปเราเห็นอารมณ์พวกนี้เฉยๆครับถึงว่าเราไม่อยากเห็นมันก็เห็นนะครับเพราะว่าทําหน้าที่ของมั น, มนครับไอตัวไอตัวอะไรเนี่ยที่ว่าขันห้าเนี่ยมันทําหน้าที่ของมันเห็นไปเรื่อยๆแต่ลงท่ามันเห็นแล้วมัน มันหลงปุ๊บเข้าไปคิดนี่มันก็จะคิดเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆก็ไปฟังเทศมาเขาบอกว่านั่นอะ่ะคือพบคือสถานที่ที่เราจะต้องไปหลังอัตภาพก็คือร่างกายเราเนี่ยตายไปถ้าเราอ่าหลงอยู่ก็คือ ชอบความสุขอะชอบความดีอะไรเงี้ยก็สไอตัวความเคยชินะมันก็จะบันทึกไว้เยอะเวลาตายไปมันก็ไปเกิดในเป็นเทวดาอะไรผลพมอะไรเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเราคิด คิดไม่ดีก็คือหลงเยอะๆนี่เกิดไปมันก็ตายไปมันก็ไปสิ่งที่ไม่ค่อยดีทีนี้ท้งนี้ท้งนั้นไอ้ดีไอ้ไอชั่วเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนอยู่ในเขาเรียกว่าไตารักมั้งครับไตลัก อ, อยู่ในไยรัก ก็ก็เราก็จะต้องผิดหวังสมหวังเรื่อยๆไปอะไรเงี้ยอืก็พอมาปฏิบัติเจริญสติมันก็จะเห็นมันครับไม่ไม่ไปปรุงไม่ไม่ไปคิดมันเรื่องเรื่องนั้นเยอะ ทำหน้าที่ไปตามหน้าที่ที่เราได้รับมอใหมายหรือว่าตามตามสังคมนั้นแต่ก็ไม่ได้ว่าไปอยากจะไปเป็นโน่นเป็นนี่ก็คือพยายามตัดภพนั่นเองตัดภพไปเรื่อยการตัดภพง่ายๆก็คือ ต้องหาที่เกาะให้ให้ตัวตัวรู้ของเราเนี่ยอยู่ก่อนก็คือกายเราเนี่ยนะครับคือเอามาเกาะไว้กับกายเราทีนี้ของที่นี่ก็คือโอสิบี่จังหวะมาเป็นนิมิตก่อนให้มีที่เกาะไว้ก่อนแต่เมื่อเราตั้งใจเกาะไงมันก็แวบอยู่ดีครับแวบไปโน่นไปนี่ครับ เราก็เห็นเห็นเห็นมันมันแวบมันแวบมันคิดอืแล้วเราก็พยายามฝืนครามเคยชินของของตัวเองครับตัวเองไปเรื่อยๆแวบดูแวบดูแวบดูอะ่ะคือตัดเรียกตัดการเกิดของในนามธรรมทั้งสามให้เหลือเกิดอยู่ในรูปเราอย่างเดียวอะไรเงี้ย ก็ตัวนั้นคือเขาเรียกว่าเป็นปัจจุบันที่สุดละก็ทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยก็หลงอยู่ครับก็หลงแล้วก็พยายามศึกษาไปเรื่อยยังรู้มั่งศึกษามั่งอะไรเงี้ยหลงมั่งก็เอาเป็นตัวสร้างศรัทธาของผม โอมีศรัทธาตรงนี้ผมก็พยายามมีวิยะทำไปเรื่อยครัมีวิยะก็ผมก็จะระลึกรู้นิมิตที่ผมตั้งอยู่ก็คือรูปเราเนี่ยครับหรือ14บสี่ยังวะหรือ ก, การเดินเนี่ยครับคือตัวสติฮะตัวสตินี้พอระลึกรู้ปึ๊บพอมันเป็นปัจจุบันปับ๊บมันก็รู้ตัวทั่วพร้อม ก็คือรู้ตัวนะครับรู้ตัวรู้ก็เป็นสัสมปชัญญะสติรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เป็นสมาธิแล้วก็ฝนก็คือปัญญามันก็จะงอกงามขึ้นมาก็เห็นช่องเห็นช่องอยู่เงี้ยครับก็พอเห็นช่องแล้วก็มีศรัทธามันก็ทำงี้ไปเรื่อย ตัวนี้ก็คือขอาภาษาพระเขาเรียกอะไรอินตัวตัวพละอินทรีย์อะไรเงี้ยทีนี้เอาตัวเนี้ยไอตัวไอตัวพละอินซีเนี่ยไอตัวตัวสติอะไรก็พยายามให้มันผมก็พยายามให้ตัวเองเนี่ยรู้ตรงนี้รู้อยู่ในสิ่งที่ผมตั้งใจที่จะรู้มันแวบก็ ก็รู้เว็บอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันมันเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่ให้มันเป็นใหญ่กับสิ่งที่ผมเพิดเพลินครทางทางทางตาหูจมกูกลิ้นหรือว่าความคิดธรรมารมอะไรพวกนี้คือให้มันเป็นใหญ่ว่าให้เราอยู่กับตัวเองได้ ไอพัะ น, นั้นเขาเรียกว่าอยู่มีเพื่อนสองเพื่อนสความนะคิดนะครับพออยู่อย่างนี้ได้มันก็รู้สึกว่าพอเราเห็นความคิดเยอะๆนี่มันก็จะคิดน้อยลงนะเหมือนมันกลัวเราเนี้ยคิดน้อยลงแล้วก็สบายสบายดีนะครับสบายสบาย ก็คือ น, นิสัยตั้งเดิมผมก็คือเป็นคนยึดมั่นถือมั่นนะครับก็เลยก็เลยพอไม่ยึดตรงนี้มันก็เลยสบายขึ้นเยอะเลยกลับไปเหมือนตอนเป็นเด็กๆนะครับคือไม่ไปจริงจังอะไรมากเกินไปทำก็จะทำแค่จบจบนอนก็นอนตื่นก็ตื่นครับก็ถือคติในใจว่าเออไม่เบียดเบียนใครเบียดตัวเอง แล้วก็ไม่มีเบียนผู้อื่นนะครับแต่ตอนนี้ก็คือประโยชน์ตนก็กําลังทําแต่พยายามให้น้อยลงครับก็เอาประโยชน์ท่านขึ้นมาเสริมให้เยอะๆหน่อยตอนแรกไม้ใหม่นี่คิดแต่ประโยชน์ตนนะก็เลยซึ่งไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ตอนนี้ก็เลยเอาประโยชน์ท่านขึ้นมามั่งครับทํากิจส่วนรวมไปครับ ตอนแรกคิดว่าบวชที่แรกนี่ก็ว่าจะวิเวกเลยอยู่มันยอดเขาโน่นนะแต่ก็อันนั้นมันก็คือการยึดติดอย่างหนึ่งเป็นเหมือนพ่อฤๅษีครับฤๅษีนี่อยู่เมืองไม่ได้ครับต้องไปอยู่บนเขาคงเดียวแต่เราก็ต้องอยู่ได้ทั้งสองทางทั้งทั้งป่าทั้งเมืองอะไรลักษณะนี้ครับก็ ก็สมควรแก่เวลาครับท้ายท้ายที่สุดนี้ก็ขอใหอ้การกระทาคือบุญที่ทุกท่านได้ปฏิบัติก็ส่งผลให้ทุกท่านมีความเจริญในในการเป็นผู้ผู้ผู้รู้ผู้เห็ น, นครับแล้วก็มีความสุข สุขแบบสุขแบบแบบแบบแบบไม่มีความความความทุกมาจอเข้ามาเรื่อยๆครับขอให้ทุกท่านจงสำเร็จแบบนั้นเทิน